พระบัญญัติ1น9่้อก็ภิกษุณีได้ทรงสนานด้วยของหอมและเครื่องย้อมผิวต้องอบัตตปาจิตตีเรื่องภิกษุณีชัพพคีจบ